นะครับอ่ะเรื่องต่อมาครับหน่วยฝึกหลอนนะครับมีเวลาตรงนี้ประมาณสักตอนนี้มันตีหนึ่งสามสิบสามนะครับยังได้อยู่ประมาณสักยี่โอ้ไม่ถึงยี่สิบนาทีประมาณสิบกว่านาทีคุณคิงจ๋าครับผมทันไหเล็งไล้จังเลยนะขอโทษทีคุณคิงนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับหน่วยฝึกหลอนเป็นเรื่องของใครอะไรยังไงเรื่องนี้เป็นเพื่อนในเฟซ บุกอเหมือนกันนะครับคือเขียนมาคาไว้ยอย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คว่าจะมีคนเขียนมาคาคาไว้ผมก็จะได้อ่านไปทีละคนทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็นานแล้วเหมือนกันก็เขาไม่ได้บอกชี้เลนผมมาแต่ผมอ่านนะคือเขาบอกว่าเขาเป็นหน้าอ่านเกนจเป็น น, าาน้นนาอานเกนที่หนึ่งนะมาไม่จําเป็นต้องบอกจังหวัดก็ ไ, ได้เนาะแล้วอันนี้เขาเข้าไปในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ฝุดหนักเพราะว่าเข้าไปถึงเลยอ่ะเขาประกาศเลยว่าอย่างผมเองผมเคยเป็นน้าอ่านมากอ่ะเพผมมีสองเดือนนิดนิดเอง ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าฝึกสามเดือนหกสี่จะมีสองเดือนแรกสองเดือนกว่าหรือสามเดือนแต่ที่เนี่ยเอาสามเดือนอืเขาไปถึงเขาบอกว่าสามเดือนแล้วอ่าคือเพื่อนท่านเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นแต่เขาบอกว่ากลัวว่าจับจแจ็คใบแดงแล้วมันจะต้องเป็นยาวทีนนี้เขามีวุฒิภาวะขออยู่เลยตัดสินใจสมัครเลยจะได้เป็นแค่หกเดือนเนี่ยอ่าที น, นนี้เขากา็เลยตัดสินใจที่จะเป็นพอตัดสินใจที่จะเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ย ในการที่เข้าไปหน่วยนี้เขาพูดเลยว่าอืมถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ต้องรู้นะว่าหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยที่ฝึกแล้วเคยได้ที่หนึ่งมาตะลอดไม่เคยเป็นที่สองรองจากใครเลยอืมก็เลยค่อนข้างจะฝุดนะบางทีถ้าทุ่มเที่ยงคืนเรายังฝุดกันอยู่เลยคือเราฝึกวิเลยของอาหารมันจะมีการฝุดที่ต้องมาจริงต้อาจ้างดีทหารรอแหละอันนี้ผมเคยเป็นใครเคยเป็นก็จะทราบนะบางนีก็มีลากยาวกันตึกบ้างที่ซ่อมมีอะไรกันบ้างเงี้ยเพื่อฝึกวิเลยกัน โดนนอนดึกทุกวันตลอดระยะเวลา<ม>สองเดือนกว่าพอเข้าเดือนที่สามเนี่ยออ<ม>ืก่อนที่จะถึงวันประกวดทหารใหม่จริงๆเขาจะพินารณาการใช้อาวุธท่าทางมือป่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการฝึกจนดึกคือดึกกว่าเดิมิถุนี้นลากไปถึงตีหนึ่งเลยเขาขอเลยว่าต้องตีหนึ่งเพราะว่าอยากให้ออกมาเป๊ะแต่เดี๋ยวพอฝึกเสร็จประกวดเสร็จก็กลับบ้านแล้วนี่เขาก็จะอ่านตั้งใจกันพอถึงตีหนึ่งคุณเจคุเขาก็จะปล่อยให้ไปนอนกัน<ม>พอในขณะที่ไปนอนเนี่ย ครูฝึกครูฝึกเนี่ยก็จะเป็นคำว่าครูฝึกของทหารใหม่นะครับจะเป็นคนละหานด้วกันแต่มาก่อนเป็นรุ่นพี่ออืใส่ความใจก่อนเขาใด้รับเสียให้เป็นครูสําหรับที่เขากันเรื่อวงวันละวันนี่เป็นครูฝึกของทหารใหม่มครูเขาจะพูดว่าให้นอนนะถ้าใครไม่นอนเดยวเจอกันออืในขณะที่ปิดไฟเป่าแต่เอ่อเป่านกหวีเสร็จปุ๊บปิดไฟให้นอนทุกคนจะนอนเนี่ยต่อยู่ดีนี้ยิเสียงนกหวีดดังอืไอ้ฝีสั่งรวมเลยไปนอนกลางมื้หน้าพอให้เลย การมึงก็คือการยกขาครับแล้วก็ยกแขนขึ้นไปที่ฟ้านะการมึงมทำโทษอ่ะมันมีคนไม่อยากนอนนี่ดังอยู่นั่นแหละตุกตาตุ๊กตาอยู่นั่นแหละออกไปหมดเลยปลอมอมันอยู่งั้นอยู่นานาเลยกว่าจะปล่อยกลับเข้ามานอนอีกเป็นอยู่เงี้ยเป็นอย่างงี้แบบเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็จะถึงวันประกวดจริงอยู่แล้วทําไมแกไม่ปล่อยให้นอนบ้างอย่ามาฝึนวินัยกันอยู่ออืแต่มันเป็นวินัยก็คือวินยัยจะดูมไม่ได้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าใครที่เป็นคนทาเสียงดังครับ อันนี้เป็นอย่างเงี้ยหลายวันมากเลยหลายวันมากมากมากมากเลยจนหนสุกวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนที่อยู่เตียงตรงข้ามกันจะต้องบอกว่ายังไงดีไม่รู้พี่แจ๊คจะภาพเรื่องการเป็นทหารเต้เป็นหรือ่าหัวเตียงของอห้างเนี่ยเขาจะชนกันแล้วจะมีตู้เนี่ยหันหลังเข้าหากันครับอันนี้หัวเตียงของสฝั่งมันจะหันเข้าหากันคือพูดง่ายว่าถ้าเราจะแอบคุยกันก็แค่พูดกันได้อะไม่ชนกันระหว่างนอเนก็มีเสียงปี๊ดปี่อมซ่อมเสร็จกูเอาอยูแล้ว ยังไงวันเนี้ยมันกี่วันแล้วเนี้ยพรุ่ง น, นี้ก็จะแข่งอยู่แล้วประกวดทหารวายยังจะต้องมานี่กะบุนพอแท้ใจบางคนก็ร้องไห้ก็มีพกจับเข้ามานอนเพื่อนตรงข้ามเขาก็พูดเหมือนทํานองตําหนีว่าเฮ้ยกูดได้ยินเสียงมาจากเตียงมึงไงแล้วกูได้ยินหลายครั้งแล้วมึงนั่นแหะที่คึกจนะั๊กคึกจั๊กอจนเขต้องเต่าแตนต่อลนุกวีแล้วเอาไปรวมกันเนี่ยพเพื่อนก็บอก oney, เฮ้ยเหนื่อยทุกคนอย่าโทษกันดิคุณก็นอนคุณก็หลับเหมือนกันจะไปอะไรมองว่าคุณทำอะไร คนไม่ซ้ำเนาะได้ินถึงคนนั่นแหะเพราะว่าเถียงกันนิดหน่อยก็ไปถามเพื่อนเสียงข้างบอกได้ยินแต่ว่าหลับหรือไม่หลับเลยนั่นก็บอกไม่รู้เหมือนกันหลับสนิทไม่รู้อะไรเลยที่เลยกลายเป็นจํานวนสังคมไปในกลุ่มเพื่อนตรงนั้นเหมือนจะพูดกันว่าไอ้เนี่ยอะไรบาคนทำเพลงดังทุกคืนเลยกระโดดต้อมกันเนี่ยเขาก็แบบไม่รู้จะยังไงเนาะเรื่องมันมาเฉลยก็คือวันที่ประกวดทหารใหม่เสร็จไปฝึกทหารใหม่เขาจะมีการฝึกอะไรกันเสร็จปุ๊บ น, นี่ก็จะเป็นวันพร้อมญาติญาติมาเยี่ยมมาอะไรก็จะมีการทานขนมนอะไรที่ญาติซื้อมาฝากระปกติทหารเขาจะ ม, มีการให้อาหารแบบำจำกัดเพราะเขาไม่ต้องาการให้อะไรที่มันไร้ประโยชน์แล้วก็อย่าให้น้ําตาลมากเจนแพงแล้วแต่วันพรอมญาติเนี่ยอาแต่คุณจะเอายังไงก็เอาตามใจเขาถ้า hmm. ไม่มีญาติมาเง่ยก็ไปนั่งกินกับเพื่อนๆแล้วก็จะมีครูฝึกทหารใหม่เนี่ยคอยประปกบคนเพราะว่าพวกนี้ยเวลาฝึกหนักแลก้วบางทีคิดมีทหารบ้างหรือว่าที่ฆ่า ต, ตายบ้างมันก็มีเยอะ hmm. คนวนนี้เขาว่าจะไปเข้าห้องน้ํำเขาก็บอกเดี๋ยวผมเข้า้องน้ําหมอนรับโู้บอกเดีคู่เป็นเพื่อนครับแกก็เลยตัดสินใจพูดเหมันก็บว่าตัดสินใจแล้วอะ่ะก็บอกโอ้ประกวดทหารใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเงินสดผมก็ไม่มีในตัวอีกไม่กี่วันก็จะกลับบ้านแล้วผมไม่หนีได้หรอกให้ผมไปคนเดียวก็ได้ห้องน้ำอ่ะเขาก็อ่ะงั้นก็ตามใจนะแต่แคอยากเปันเพื่อนเฉยทีนี้เขาก็เดินไปใต้ของร้อยคนเดียวเนี่ยเพราะว่าจะต้องผ่านกองร้อยก่อนแล้วไปเข้าห้องน้ํำ เอเดินไปใกล้กองร้อยมันจะมีกระจกที่ให้ทหารส่องสําหรับแต่งตัวจะเป็นกระจกเต็มตัวซึ่งคาดว่าน่าจะมีเหมือนกันทุกองพันทตอนนี้ตอนแรกเขาเดินผ่านไปมองกระจกอยู่ขามือเดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จพอเดินกลับมามายนดูกระจกในระหว่างที่ส่องกระจกพี่แจ๊คเขาเป็นคนที่สูงคํามสูงว่าใต้ติกว่าครับเป็นคนที่อันดับที่สองของแถวตลอดนอนก็นอนเตียงที่สองเขายืนส่องกระจกอยู่แต่มันมีร่างของทหารที่ตัวเล็กกว่าเขา่ยืนซ้อนเขาอยู่เขาก็เฮ้ เดียวไงแล้วแกมายืนซ้อนกุ้วบเขาก็พยายามที่จะมองก้มแต่ยังไม่ได้หันได้มองแล้วนึกว่าเพื่อนมาแย่อยู่ดีมองมเดีอ่ะถ้าหานคนอยู่ข้างหลังอะคอมันหักเหมือนหักแกลงมาทางฝ่ามืออะแล้วก็หน้าคือแบบคขำๆเขียวๆแล้วบอกสวัส ด, ดีเป็นอย่างเงี้ยเขารู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่นอนครับเขาตะโกนขึ้นมารู้วิ่ออกวี่งออกวิ่งออกแล้วในขณะที่วิ่งออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครวิ่งตามด้วยอไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะวิ่งออกมาถึงปุ๊บ ครูฝึกหารใหม่ก็วิ่งมามีอะไรมีอะไรครถึงก็มาจับมือจับมัดมานี้ก่อนันนีน้ก่อนมาที้ก่อนลากไปตรงที่ไม่มีคนเป็นทางใจต้นไม้เงียบๆมีอะไรเนี่ยเล่าให้ครูฟังซิเนี่คยครูผมเจออย่างเงี้ยเออนั่นไงแล้ววันนี้ครูจะเล่าอะไรให้ฟังครูถึงได้จะต้องไปห้องน้ําเป็นเพื่อนเธอเป็นพิเศษนี่แหละเพราะว่าเองรู้ไหมเอาผมไม่พูดเอไม่พูดเธอแล้วผมเองนะเองรู้ไหมว่ากองร้อยเราเนี่ย เมื่อผัดที่ครูมาเป็นทหารใหม่น่ะมันเคยมีเรื่องเศร้าเกิดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือด้วยความที่เราฝุดหนักอย่างนี้แหละบางคนร้องไห้บางคนคิดว่าจะหนีอย่างนั้นแต่บางคนก็เลือกที่จะไม่มีออย่างเพื่อนของครูคนเนี้ยเขาชื่อบุฒิเขาก็เศร้าจากที่เคยร่เลยก็เริ่มหนักเข้าหนักเข้าร้องไห้ทุกวันและกลายเป็นไม่พูดไม่คุยอีกแต่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะทําเรื่องที่มันแบบไม่ค่าคิดมาก่อนอยู่ดีมีอยู่คืนหนึ่ง วุฒิตัดสินใจผูกคอตายใต้เตียงทหารใต้เตียงทหารครับอจอมกั้นใจตายเลยเอาเชือกผูกเลยคือต้องบอกว่าเชือกรองเท้าคอมแตกกับเชือกจังเกิลเนี่ยใครลองดูมันเหนียวมากเลยนะครับออันนี้อผูกคอตายใต้เตียงครับกว่าจะรู้เ <increases Snapchat> นี่ยคือเช้าแล้วอืแต่ว่าในขณะที่รู้กันเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าถึงว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงแบบกอับใต้เตียงครับแล้วรู้ไหม ว่าเตียงที่ครูคอตายเียงไหนอ๋อวันนี้บอไม่รู้เหมือนกันนีะครับเตียงไหนครับว่าเตียงที่เองนอนไงเฮ้ย โ, โหียงที่มันดังเสิ้ๆจ้กค่ะพวกครูก็รู้แล้วว่ามันจะกเตียงเองครั บ, บแล้วก็ไม่อยากให้เองเจออะไรไม่ดีไงเลยต้องตัดสินใจเป่าออกมาป้องกันต้องแบบเอาให้เพียงที่ถึงละพาถึงละเองนอนโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยขึ้นมานอ๋อคือหมายถึงว่าครูฝุดที่มาเป่าคือไม่ได้ทําโทษแต่จะมาช่วย แต่มาช่ว ย, ยครับเพราะว่ามีหลายรุ่นแล้วหลังจากรุ่นของเขาเนี่ยก็คือมีคนที่มานอนเตียงเนี้ยแล้วก็ปรากฏว่ากึากกักกึกกักจัดรถพ่วงลงไปดูแลเจอคนคนนี้นเขาซอยโผล่หน้าขึ้นมาช็อกโผล่หนา้าอมาจากใต้เตียงแบบเขียวเขียวไ อ, อ, อ, อพอเขาได้ยินกึกกัจกจัดเขาเลย จ, จลออับตัใจเต่านกปีไปยุ่เหมือน่วยรุ่นน้องแหละอ้อหครับไปไปออกไปลงใต้หมดเลยไปไปคือเขารู้กันหมดแล้วพอาถึงจะทำอย่างนี้กับทุกรุ่นครับ เขาโดนกันมาหลายคนมากสําหรับเรื่องของวาระเขผมก็จริงๆนะพี่แจ้งออันนี้ของของเรื่องของคุนี่ก็ประมาณเท่านี้นะครับเ<ช>ขาบอกเขไม่ได้านอนเลยจนเขาไม่เล็กไม่กี่วันอ่ะต้องขอสิบเวงว่าเดี๋ยวผมขัดรองเท้าให้เอาแม่คือไปนอนอยู่ข้างเตยียงสิบเวงเลยประมาณอย่างนั้นนะสิบเบงเขาก็รู้เพราะว่าเขาถามว่าเอ็งนอนเตยียงไหนอ่ะเตยียงที่สองอ๋อเอ้นอนอยู่ข้างจานนั่นแหละเขารู้นะว่าเตยียงนี้มันมีคนเจอเยอะ อ, อแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนเตียงสาหรับเรื่องเขาเลยครับเขาก็ไม่เปลี่ยนเตียง มันเปลี่ยนทต้องผมผมบอกเลยนะพี่แจ๊ว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นไงแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนเตียงนะแต่มผมเป็นนอาหารอยู่เนะี่ยยังไงก็อ ย, อ, ยอย่างนั้นออืยังไงก็อย่างนั้นคือจะแก็ะทังยกตะดับกันถ้าจะไม่ยกเลยแค่ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับ<ห>เป็นทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะการจะเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างผมว่าอาจจะต้องแบบทําเอกสารขั้นตอนเยอะแยะมากมายนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยอ๋อหุย่ยเป็นเรื่องสัน้นๆเป็นเร่องสั้นๆแบบ คุ้นน่ากลัวเลยอ่ะ <c oughs> ออเรื่องของข้านม่แม่มันมีเรื่องอย่างผมมน่าจะเคยพูดกับพี่แจกไป แ, แล้วมันพอฟังเรื่องนี้ผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่บุญน้องอ่ะตามขึ้นไปขยันแลําร้อยฟังอเอเื่องมันเจ อ, อมนจะเล่ากับพี่แจกจงคับไม่แน่ใจคุณคิงผมจําไ่มันมานั่งอ่ะกอไว้มันจะมี เ, เก้าอี้เบาะนอนแบบที่ยกต้น ห, หน้พี่แจ๊กเป็นตาบอกใช่ไหมครับอ่าอะ อ่านนี้คนหนึ่งมันลงมาเข้าเวรแล้วมันก็องเงีคือเพื่อนมันเูกขัดายไปนานแล้วแต่นนี้ไอ้นี่มันก็แบบไม่สนใจอะไรไง<ช>ไม่สรวโลกแล้วก็ได้เป็นเวรสายตรวจเวรายตรวจะเดินข้างล่างของลอยสวนในเวรางอุก็จะอยู่อนู่าุนั่นแหละหลับคนละชั่วโมงอืมไอ้เสตวลงมามจะใสคอมแบ็เนี่ยออยิ่งออยิ่งลงมานั่งใส่ี่เก้าอี้นะก็มีเพื่อนคนหนึ่งลงมานั่งที่ด้านหลังแล้วเอามือกอดที่เอวมันก็บอกเฮ้ยมึงอย่าเล่นดย์มไม่เล่นอันเนี้ พอมาแานด์ไปดูเป็นในคนที่ปู่ปตายไปแล้วอ่ะนั่งกอดมันอยู่แล้วก็ร้องไห้อเยอะเออเรื่องเรื่องในค่ายทหารน่ะจริงๆแล้วมันมีเรื่องน่ากลัวเยอะนะฮะและอย่างคือบรรยากาศในค่ายทหารยามค่ําคืนนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ฟังฮะว่าเออมันคนละโลกกับตอนกลางวันเลย่ะจริงครับมันเงียบมากใช่เขาเป็นวิัยของเขาะเงียบเงียบแบบสนิทเลยคือคนที่เสี่ยงที่สุด แล้วก็น่ากลัวที่สุดคือเป็นทหารเวรที่ต้องยืนตามจุดอะใช่ครับ้อยืนเศ้าแบบหน้าลงนอนหน้านุา่นหน้านีา่ อ, นอ๋ออแล้วไม่ได้ยืนกันแบบว่าหลายคนนะครับจุดหนึ่งเนี่ยคนยเดียวนาใช่ครับโอ้สมัยก่อนเนี่ยผมจัดรายการอยู่ในในค่ายทหารไงก็เวลาขับรถเข้าไปโอ้มันรังเวงแล้วก็จะเห็นทหารเนี่ยเายืนยืนนิ่งๆกันอยู่ตรงนั้นเลยอะแล<ช>้วผเฮ้ย แล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะมากใช่โอ้และที่ที่สําคัญเลยว่าตรงดีกว่าแต่มันมีเยอะเลยอ่ะเยอะหลายหลายที่เลยผมว่าเนี้ยไม่ไม่ทุกที่คุณคิงไม่หลายที่นะแต่ทุกที่ใช่ครับทุกที่มีเลยเรื่องของทหารพวกกันตายเนี่ยคือผมไม่รู้แล้วตัวตัวผมที่ก็ร้อยผมก็มีอะแล้วผมก็ได้ยินมัานีนี่ก็มีอ่ะผมก็แบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าสำหรับคนที่เราเราไม่เราไม่ได้ว่านะครับแต่มันเหมือนจะเป็นอาถรรพ์สำหรับคนที่ ใจไม่สู้แล้วเรื่องหนึ่งเลยนะที่เป็นเป็นสิ่งเป็นใจใครนะถ้าหวังดีกับคนที่จะเป็นทหารใหม่เนีข อ, อร้องถ้าเป็นแฟนเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้คุณจะเลิกก็เลิกไปเลยแต่คุณไม่ต้องเขียเองใหม่ไปบอกเขาเจ็บใจในขณะที่คนบนภาวะมันกดดันอืมมันอะไรอย่างเงี้ยมันเสียใจมันทําอะไรสั้นๆได้ออของถ้าคือทหารทหารไม่ใช่ที่จํากัดออืมตลาดเขาเอาไปสุกเฉยๆแต่เขามีเครื่องมือมีผ้าเข่ามา้ามีเชือกมีอะไรเขาทําอะไรสั้นๆและคิดสั้นได้เยอะเพราะงั้นคุณ ไม่จําเป็นต้องจดหมายไปบอกมันมแล้วว่าบอกย้ำว่า เ, เลิก น, นะฉันมีแฟนใหม่แล้วไม่ต้องนะคือตอนนั้นภาวะตรงนั้นแหละทหานใหม่คือผมบอกตรงๆว่าครับมันดีบหัวใจที่สุดมไม่อยากได้ยินเรื่องอะไรที่เศร้าเลยอนะฮะเอาเอาไปเรื่องเอาไปเรื่องผู้คอตายก่อนนะครั บ, รบผมกําลังจะพูดว่าส ถ, ถานีที่ผมเคยไปจัดที่บ้านเก่าอ่ะครับมีเหมือนกันผู้คอตายเหมือนกันตรงต้นต้นไม้ที่อยู่ติดกับ อ่าห้องน้ําของสถานีเลยนั่นจริงๆหมายถึงว่าตัวสถานีจะอยู่ตึกหนึ่งถ้าจะเข้าห้องน้ําต้องเดินออกมานอกสถานีแล้วก็เลี้ยวขวามันจะเป็นห้องน้<อ>ําที่อยู่ด้านนอกแล้วข้างๆห้องน้ํามันจะเป็นต้นไม้คือต้นไม้ต้นนี้ยมีสหารเกณฑ์ผูกคอไทยอเออผมว่าผมว่ามีทุกที่แล้วคุณเคิงนะเออคุณคิงนะคุณคิงครับ คุณคิงอยู่ใครอ่ะไม่ได้อยู่ะไรครับมีเสียงผู้หญิงเนี่ะเมืเ่อกี้ลูกแปดของยู้วนอยู่ที่เตียงนุ๊เขาพูดอะไรปะไม่ได้พูดครับนั่งดูไปใจกอะไรสดอยู่ที่เตียงหล่าประตูนอกเออแต่ผมได้ยินไงได้ยินจริงๆได้ยินเหมือนพูดแจ๊สทั้งนั้นะอะไรทั้งอย่างนึงก็ไม่รู้มถึงเอ๊ะคุณคิงอยู่กับใครหรือเปล่าอือเอาอย่างเี้ยเอาอย่างเนี้ยเนี้ยพอเราเจอกันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเนีย ทุกทีเลยอ่ะมีมีสตอรีม่ story, มีเรื่องตลอดเลยอะ่ะแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าสัญญาณดีนะครับไม่ไม่สัญญาณที่เจอรคิงมานะฮะไม่สัญญาณดีมันก็มีอะไรแปลกๆแว๊บแว๊บแว๊บแย ก, ก, ก, กเข้ามาเออตลอดนะเนี่ยคนฟังได้ยินหมดนะฮะเสียงผู้หญิงอะ่ะจริงๆคอนเฟิร์มยืนยันว่าคุณฟังยังได้ยินเลยอีจจะต้องไปฟังดจอหลังครับเออจะเป็นเสียงผู้หญิงพูดแทรกขึ้นมาไกลไกลไกล อันนี้ไม่ได้พูดอะไรนะครับแค่คนนั่งเฉยๆจริงป่ะกําลังพูดถึงเรื่อ ง, อง <c oughs> คนงนั่าอคนนั่งดูพี่เจ็ดอันนี้อยู่ไลน์กนแล้วก็เขาก็ไปฟังที่เมียบคนเดียวโ อ, โอกําลังพูดถึงเรื่องของการผูกคออูกคอตายในในเรื่องของค่ายทหารนะครับผมบ <c oughs> อกว่าอย่างที่คุณคิงบอกเลยคือเขามีความกดดันนะครับแต่ต้องบอกว่าอการไปเกณฑ์ทหารไม่ได้ไปติดคุกนะครับคนละอย่างกันนะ บางคนอบบกลัวการไปเกณฑ์ทหารเพราะจะถูกจํากัดอิสระเฮ้ยมันไม่ขนาดนั้นคุกไม่ขนาดนั้นเราได้มันไม่ใช่คุกทางพยานอิสระอยู่นะพยานอิสระอยู่ออแต่ช่วงแรกเนี่ยช่แรกคาต้องหมึกอวินัยเพราะว่าเราเข้าไปเลยเราเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่รู้วิทย์ในเขาไมต้องเป็นธรรมดานะถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงของการเกณฑ์ทหารและช่วงต้นเมษาเนี่ย อ่ามีน้องๆหลายคนที่รู้จักกันนี่เขาถูกเรียกตัวไปวันที่5เมษายนนี้นะครับไปเกณฑ์ทหารตามที่ต่างๆกันละอ๋อนะครั บ, รบแล้วก็คืออยากจะบอกว่าการเป็นทหารหรือว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายนะครับครับถ้าใจเราดูนะสนุกอย่าอย่าไปคิดโอ้ยนู่นนี่นะหนูจะไปเป็นหน้าแล้วจะทํำยังไงกับชีวิตต่อไปเฮ้ย มันไม่ได้ติดคุกเออบางคนกลัวจริงๆสมัยนี้กลัวจริงๆอ๋อนะครับสมัยสมัยผมก็มีนะพี่แจ<อ>๊บบอกว่าตอนไปนะนั่งรถไปเนี่ยเชิดเชิดเชิดมาไปเต็มที่เลยรอย่างือีแต่พอไปไปถึงค่ายปุกเป็นคนละคนเลยอผมว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทาวิญญาณหล่นเลยรึเป<อ>่าคือมันกลัวไปหมด<อ>ทุกอย่างจะเราต้องบอกเฮ้ยตามน้ํำดิโดนก็โดนด้วยกันไม่โดนคนเดียว อีกอย่างคือการเกินอาหารเราไม่ได้เกณฑคนเดียวในโลกเลฮะมีค น, ไ, นไปกับเราเป็นร้อยเป็นพัน 1, เลยนะใช่ฮะผมบอกหลักใง่ายๆเลยอย่างตัวผมเนี่ยผมไม่รู้คน อ, อือ่นคิดไงสําหรับตัวผมผมคิดได้ใจว่าโดนก็โดนเป็นหมู่ไม่โดนคนเดียวแล้วก็วาอาย อ, อะไรอะอาไม่อายใหญ่ก็เหน็ดเหนื่อยครับครับนะครับเพราะฉะนั้นการ เป็นาหารไม่ได้น่ากลัวนะครับจําเลยว่าการกินอาหารไม่ได้ไปติดคุกครับเขาละอย่างนะครับหน้าที่ของผู้ชายเขาถ้าเราเขาต่างกันจะทำนี่นะเนีถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะได้ครับคุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องของลางสังหรและก็เรื่องหน่วยฝึกหลอนนะครับ ยังไง<ม>ขอบพระคุณคุณคิงออฟโก้ต์มากๆครับที่ถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญในครั้งนี้เป็นคนที่ความจําดีมากแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดได้ได้ดีมากแม่นยำมากโอ้ขอบพระคุณครับพี่แจ๊คผมเอาแส่เย่นแบบพี่แจ๊คผมพูดจริงๆไม่ใช่ว่าเราอวยกันนะครับคือพี่แจ๊คเวลาพี่แจ๊คฟังใครผมพี่แจ๊คก็ฟังฟังบางทีง ฟ, ง ฟ, งฟังจนจบก่อนเลยแล้วค่กลับมาถามได้เนี่ยบางคนฟังจบแล้วลืมนะจะถามอะไรแต่เหมือนกันแต่ผมจะเป็นคนแบบว่ถ้าใครเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมจะขอก่อนเลยว่า คล่าให้ผมฟังให้ผมไปเล่าเดอะโก้ตนะคุณจะกลัผมไม่ได้นะครับทำเล่าเล่าอยู่แล้วผมถามแท่งเนี่ยเพราะผมจะเอาดีเทลจะเอาทั้งหมดเลยหรือว่าอย่างเนี้ครับครับเออได้คุณคิงเก็บมาตรฐานตรงนี้ไว้นะคุณคิงยังก็เป็นคิงออฟโก้ตไปอีกงานขอบขอบคุณครับได้ครับคุณคิงแล้วก็เรื่องของรัพสรูปถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมแจ้งข่าวนะได้ครับจะรูปก็ส่งไว้ที่บัตัได้แล้วนะครับสิกัดจะเร็วหรือเปล่าแล้วก็อห่ผมส่งไปที่เฟซเพื่อแจ้งยินได้ครับยินดีครับ ครับผมนะะครับเช่นเดียวกันครับคุณคิงสวัสดีครับ